ความฝันบอกให้รู้อะไรบ้างเรื่องความฝันมีกี่อย่างและเกิดจากเหตุอะไรบ้างข้าพเจ้าได้อธิบายมาแล้วแต่ในตอนนั้นจำเป็นจะต้องอธิบายโดยย่อก่อนเพราะถ้าจะอธิบายให้ละเอียดในตอนนั้นผู้อ่านจะเกิดความฟั่นเฟือแต่สำหรับในตอนนี้ข้าพเจ้าจะขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องความฝันเพราะในเมื่อเข้าใจหลักวิชาต่าง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 จะช่วยเตือนสติให้เราสำนึกถึงความดีและไม่ดีในตัวเองอยู่เสมอและช่วยให้เราเข้าใจศึกษาปัญหาต่างๆได้ ย, ย่างมากมายฉะ น, นั้นจึงนับว่าเป็นวิธีการศึกษาที่ง่ายมากข้าพเจ้าขอเตือนความทรงจำของท่านอีกครั้งหนึ่งว่าท่านจะต้องพยายามคิดให้เข้าใจว่าโตะตนในความฝันส่วนมากทำไมจึงไม่มีชีวิตแต่ในบางครั้งทาไมจึงมีชีวิตมีประสาท ต, ต่างๆ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 สิ่งที่ปรากฏออกมาให้เห็นหรือจับต้องได้สัมผัสได้ด้วยประสาททั้ง5้าว่าสิ่งเหล่านี้เป็นวัตถุคือเรายังไม่เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้ที่แท้ก็คือปรากฏการของวิญญาณที่ออกมาในรูปที่หยาบนั่นเองเราก็ต้องเข้าใจว่าวิญญาณกล่าวคือความรู้สึกนึกคิดต่างๆนั้นเกิดมาจากวัตถุซึ่งจะเข้าใจแง่นี้ก็ได้ไม่ผิด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 ผู้ที่อ่านเหตุการณ์ใความฝันได้อย่างแจ่มแจ้งก็ต่อเมื่อต้องเข้าใจถึงทฤษฎีต่างๆดังที่กล่าวมาแล้ว